ีเรียเรื่องทดลองความจำนานครั้งหนึ่งมีอาจารย์คนหนึ่งมีลูกศิษย์อยู่มากมายลูกศิษย์เหล่านั้น ต่างก็มีความรู้และสติปัญญาแตกต่างกันวันหนึ่งอาจารย์ต้องการจะทดสอบความรอบรู้บางอย่างของบรรดาสิทธ์เหล่านั้นจึงเรียกลูกสิทธ์ที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นช้างมาก่อนเลยและให้ลูกสิทธ์เหล่านั้นผูกตาเสียทุกคนแล้วจึงใช้สิทธ์คนที่หนึ่งไปคลําช้างซึ่งขังอยู่ในคอกแล้วออกมาอธิบายว่า รูปร่างลักษณะของช้างเป็นอย่างไรลูกศิษย์คนที่หนึ่งหลังจากได้เข้าไปคลำช้างอยู่เป็นเวลานาน<ๆ>ก็ออกมารายงานแก่อาจารย์ว่าช้างมีลักษณะเหมือนกับท้องเรือครับท่านอาจารย์แต่มันยืดยุ่นได้เพราะมันหดเข้าหดออกเป็นจังหวะทีเดียวนี่แสดงว่าลูกศิษย์ผู้นี้ ไปคลำถูกแต่เพียงท้องช้างเท่านั้นลูกศิษย์คนที่สองเข้าไปแล้วออกมารายงานว่าตัวมันน่ะคล้ายไม่กวัดครับอาจารย์ซ้ํำยังโบกไปมาได้ด้วยแสดงว่าเขาคลำถูกแต่เพียงหางช้างเท่านั้นครั้นลูกศิษย์คนที่สาออกมาชี้แจงว่า รูปร่างมันเหมือนต้นเสากลมๆครับสงสัยคลาถูกเอาเท้าช้างเข้าให้แล้วลูกศิษย์คนที่สี่ตัวมันกลมๆคล้ายดุนฟืนแข็งเอาการเลยข้อดังก๊กก๊ลูกศิษย์คนนี้คลาถูกงาช้างเข้าลูกศิษย์คนที่ห้าออกมารายงาน รูปร่างคล้ายตนกลวยจริงๆครับอาจารย์แต่มันยืดหดได้เพราะผมะคลาจนทวนทีทีเดียวแสดงว่าเขาคลาถูกงวงช้างเข้าอาจารย์ได้ฟังรายงานของสิทธิ์ทั้งห้าคนก็รู้สึกคํำอยู่ในใจครั้นแล้วจึงเปิดผ้าผูกตาลูกศิษย์ทุกคนออกแล้วให้กลับไปดูช้างเสียใหม่ ลูกศิษย์ทุกคนเมื่อไปเห็นช้างด้วยตาของตนเองเข้าจริงๆจึงได้รู้ว่าเท่าที่ตนคลานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวช้างเท่านั้นหาได้คลาช้างให้ทั่วตัวไม่ดังนั้นส่วนผิดจึงมีมากกว่าส่วนถูกเรื่องนี้สอนว่าสิบรู้ไม่เท่าหนึ่งชำนานสิบช์ชำนาน ไม่เท่าหนึ่งตาเห็น